มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปัญจมวัตกอิมามหากายาอัญญงกายยังสังกัมณะปัญหาที่เจ็ด ถามว่าเมื่อชีวิตออกจากกายนี้แล้วย่างไปสู่กายอื่นหรือราชาสมเด็จพระเจ้ามิดินผูมิทราธิบดีมีพระราชองค์การถามอัถปัญหาสืบต่อไปว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าสภาวะสัตว์ทั้งปวงการเมื่อชีวิตจะออกจากกายนี้จะย่างไปสู่กายอื่นหรือประการใด พระนาคเสนจริงวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐสัตว์ทั้งปวงนี้เมื่อกระทํากาละกิริยาตายแล้วดวงจิตนั้นจะได้ไปบังเกิดในรูปกายอื่นหาไม่ได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ท้าว่าสัตว์ทั้งปวงเมื่อชีวิตออกจากกายนี้แล้วไม่ไปสู่กายอื่นก็จะม่พ้นจากบาปจากกรรมหรือพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสรศิฐสัตว์ทั้งปวงไม่เกิดแล้วเมื่อใดก็พ้นจากบาปกรรมในการเมื่อนั้นทว่าจะยังเวียนวนปฏิสนธิอยู่ตราบใด ก็ยังไม่พ้นจากบาปกรรมตราบนั้นพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าอารัตนานิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาไปให้สิ้นสงสัยก่อนพระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราชดูรานะบอพิษพระราชสมภารโกจิเทวะปุริโสเปรียปานดุดบุรุษผู้หนึ่งลักเอาผลมะม่วงที่เขาปลูกไว เจ้าของจับได้เอาตัวผู้นั้นส่งมาให้แก่นครบาลตกว่าโจนั้นต้องด้วยบทพระอายการจะว่ามีโทษหรือไม่มีเป็นประการใดนะบอดพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าโจนั้นคงจะมีโทษสิพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนถวายพระพรว่าผลมะม่วงนี้ไซเป็นผลต่อต่อกันมาแต่มะม่วงเดิม กลายเป็นอื่นแล้วเห็นจะไม่มีโทษดอกกระมังพระเจ้ากรุงมิลินจึงมีพระราชองค์การตรัสว่ามีโทษผลมะม่วงเกิดแต่พันพืชมะม่วงที่เขาปลูกไว้โจรลักไปจึงมีโทษนะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสษ็ถวายพระพรว่าสัตว์กระทากรรมไว้ฉันใดเล่าในานามมารูปชาตินี้จะกระทาไว้โสภนางว่า ดีเป็นฝ่ายกุศลก็ดีปาปะกังว่าจะไม่ดีเป็นฝ่ายอกุศลเป็นกรรมอันชั่วก็ดีก็จะติดตามตัวผู้นั้นไปถึงว่าจะเกิดในชาติอื่นเป็นนามารูปอื่นจะพ้นจากกรรมหาไม่ได้อุปมาดังโจรลักผลมะม่วงมิได้พ้นโทษนั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินประชากร ได้ทรงฟังก็โสมนัสตรัสว่ากาโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรยิ่งนักหนาในการบัดนี้อิมามหากายาอัญญงกายังสังกมณะปัญหาเป็นคำรบเจ็ดจบเท่านี้